เอาแมวส่งไปบ้านนอยแมวเออนั่นแหละแล้วโรคกระจับตัวของแมวแต่ไหนแต่ไรแล้วที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเอาตัวให้รอดนะหัวคนหื่น้ยน้อยหน่อยแต่เรามองเห็นแล้วไม่เป็นไรละแต่เดิมไม่เห็น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 แล้วคราวนี้เราก็ตามรู้ใจของเราไปหายใจไปจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตไปสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ค่อยรู้เรื่อยๆรนะรู้จนชำนิชำนาญจําสภาวะได้จิตเสือเป็นอย่างนี้จิตคิดเป็นอย่างนี้นะจิตเพ่งเป็นอย่างนี้จิตเป็นสุขเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจําได้ประจาได้แล้วสติจะเกิดเองละคราวนี้เพราะสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้นี่ในตำราสอนนะ ปริยัตปฏิบัติปฏิเวชนี่ร้อยเป็นสายเดียวกันไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนี่พวกปริยัติก็ชอบว่านักปฏิบัตินะนักปฏิบัติก็ดูถูกปริยัตนี่ไม่ถูกต้องนะต้อาเรียนให้ได้ครบๆแล้วยิ่งดีอย่ารู้สึกว่ามันเสริมกันเนะี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมนะแค่นี้เองคอยรู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันไปไม่บังคับยังบังคับตัวเองอยู่ดูออกไหม บังคับนิดหนึ่งก็รู้ทันมันมันเป็นยังไงรู้ลงไปรู้ต้องอย่างที่มันเป็นเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นเลยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้นะดูไปเรื่อยดีละดีละใช้ได้อย่างนี้สิค่อยสมไปสอนเขาได้หน่อยนะ เ, เพียงย่งเพ่งเ พ, ง, เ พ, ง, เ พ, ง, เพงไปสอนเขาแล้วก็พาเขาเพ่งอีกแหละนะเออย่างนี้แหละหลวงพ่อชอบนะดีตั้งใจศึกษาไปจะได้ช่วยกันเผยแพร่ต่อไป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 เเจ็ดปีไม่ไหวก็ทาสิบหกีอีกองหนึ่งนะเคยคุยกับหลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะเคยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านบ้านหนองผือนาไนอะไรนะั้นไปเจอท่านท่านอายุมากแนละ้วเข้าโรงพยาบาลท่านก็เล่าให้ฟังว่ารุ่นเดียวกันนะเขาฟ้นทุกข์พ้นร้อนไปหมดแล้วเหลือท่านยังไม่ได้อะไรเลยท่านพูดนะใจท่านนะโอ้สลดมาก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 เส้นสุดคนต้องใช้วิธีวิ่งหนีมันถึงยอมไปเนี่ยใจของนักปฏิบัตินะต้องเข้มแข็งอย่างนี้ต้องกล้าสู้อย่าปอบอป้อแฝ่ป้อแฝ่หนะลวงพ่อไปหาครูบาอจารย์หลวงพ่อไม่ได้ลําบากเข้าครูบาจารย์รุ่นก่อนนะไม่ใช่ว่าต้องเดินทุดงเป็นเดือนเดือนหลายหลเดือนลําบากในป่าในเขาอดข้าวอะไรไม่ได้ลําบากอย่างนั้นนั่งรถทัวร์นั่งรถงไฟไปเรียนพวกเราก็สบายนะทุกวันนี้มันสบายขึ้นเรื่อยๆแต่ใจอย่าฝอก็แล้วกัน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 หรือจะนั่งทําสมาธิก็ทำสติรู้เนื้อรู้ตัวของตัวเองไปนะแต่นั่งเปิดเทปแล้วก็เคลิ้มก็แงก็แงกไม่ได้เรื่องเลยอย่างนนนะี่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกไม่ให้ทําสมาธินะคนชอบอ้างมั่วซั่วพระที่ไหนสอนไม่ให้ทําสมาธิพระเจ้าสอนให้ทําศีลสมาธิปัญญาต้องทํำนี้สมาธิถ้าเราทําไม่ได้นะไม่เป็นเรื่องของคุณทําเป็นก็ทําไปคนไหนไม่เป็นจริงๆก็ไหว้พระกวดมนต์มันก็ได้สมาธินะ ส่วนมวนไปให้จิตใจมันสงบคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะจิตใจสงบหรือแค่เรากราบพระนะกราบให้เป็นก็จิตใจมีความสุขได้นะอย่างเวลาเราก้มลงกราบพระเนี่ยอย่านึกว่าเรากำลังกราบอะไรม่วซั่วไปหรือใจลอยหรือไปบังคับตัวเองไว้ทําความรู้สึกในใจเหมือนเรากราบลงแทบพระบาทพระพุทธเจ้าเหมือนท่านยืนอยู่ต่อหน้าแล้วเรากราบอยู่แทบเท้าท่านนะจิตมันจะเกิดปีติขึ้นมานะเนี่ยมันได้สมาธิไม่ยากอะไรนะ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 บางคนทําได้บางคนก็ไม่ได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละะไม่ใช่ต้องทําให้ได้ทุกคนเหมือนกันทุกคนคนไม่เหมือนกันะบางคนสมาธิเยอะบางคนสมาธิน้อยสมาธิก็เพียงแต่ทาให้จิตใจได้พักผ่อนจิตใจสงบสุขสบายพอจิตใจสบายแล้วอย่าขี้เกียจให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจไปยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปเนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ยรับรองไม่พลาดหรอกนะ ใจหนีไปไหนแล้วชาวประจวบมากันกี่คนวันนี้ในยกมือให้หลวงพ่อดูสิชาวประจวบเอาทีมนี้เองหรอกเหรอ mm hmm. มาแต่ปีสองนะมันต้องอย่างนี้สิ mm hmm. นักปฏิบัติต้องใจถึงถงหน่อยนะไม่ใช่โอ้ยไม่เอาหรอกตื่นไม่ไหวนะพูดหยาบหยาบนะห่วยแตกอย่างนั้นอ่ะจะสู้อะไรนะสู้ความขี้เกียจเล็กน้อยก็สู้ไม่ได้แล้วนะต้องใจถึงถึงนะภาวนาโอ้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 ไม่ใช่ไปบังคับเขาอย่างงาน้นบังคับอย่างนี้ลงไปแล้วนะแล้วคนชาวประจวบง่วงกันมั่งไหมวัม <c oughs> นนี้ให้มานี่หยุดประจวบได้เหรอโอมาบ่อยๆเหรอหลวงพ่อจําหน้าได้แล้วส่วนมากเห็นครั้งสองครั้งก็จําได้แต่มีบางคนบอกเคยมาหาหลวงพ่อจําไม่ได้เลย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 นั่งเก้าอี้ก็ได้นะดอรอ้าวพวกเรารู้สึกไหมใจสายๆายไปแล้วรู้สึกไหมหลงละ <c oughs> อ้าวว่ามา <c oughs> นั่งสมิัก็ไม่เกิดสัญญานยนงสักๆอย่าง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 หรื อ, อย่างหนึ่งก็ดูท้องของยุคไปจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้อนี้เป็นการฝึกซ้อมที่จะรู้จิตนั้นเราทําสมาธิเราไหว้พระสวดมนต์เนี้ยเสร็จแล้วเราจะทําเพื่อสงบก็ได้เราจะฝึกซ้อมที่จะดูจิตใจตัวเองก็ได้เรื่องไม่เวลาเวลาไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะเวลาปฏิบัติไม่ได้เอาเวลา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 แท้จริงเราฝึกออกสตนะิเราเดินไปนะเดินไปเราเห็นร่างกายนี้กำลังเดินใจเราเป็นคนดูนดูไปอย่างนีนะ้ร่างกายมันเดินไปใจเราเป็นคนดูพอใจลอยแวบหยุดสะก่อนอย่าเพิ่งเดินนี่ขาดสติและรู้สึกตัวนี่รู้สึกสบายบายปร่งๆุ่งๆนะแล้วก็เดินใหม่เดินไปจนสุดทางอย่าเพิ่งรีบหันกลับนะส่วนมากพอเดินไปถึงหัวทางจงกลมหันกลับควับเนี่ยจิตจะกระเด็นตกทางจงกรมไป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 ระวางกนเดียวอย่าให้จิตถลำลงไปจ้องของยุบนะนักปฏิบัติเยอะเลยที่จิตมันถลำลงไปแล้วลงไปแช่อยู่ที่ท้องนะถ้าลงไปแช่นิ่งๆที่ท้องเนี่ยมจะได้แต่สมถนะสังเกตไหมอย่างเราดูท้องของยุบไปเรื่อยๆหรือเราเดินจงกลมยกเท้ายา่างเ้าไปเรื่อยๆบางทีเกิดปีติไหมรู้สึกตัวลอยตัวเบ า, ต, เบาตัวโครง่งรู้สึกขนลุกสู้ซ้ารู้สึกเหมือนฟ้าแลบวูบบ้าวุบบ้เลยนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลย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 อันนี้คือส่วนที่เกินขึ้นมาแต่เบื้องต้นจะฝึกอย่างนั้นก่อนก็ได้เป็นอุบายไม่ใช่หลักนะหลักเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหลักของสติปัฏฐานในสติปัฏฐานไม่มีกําหนดหรอกสติไม่ได้แปลว่ากําหนดเลยสติแปลวล่าความระลึกได้กําหนดนี่มันเกิดขึ้นทีหลังเพราะงั้นอย่างสมมติใจเป็นโกรธขึ้นมานะอาจารย์เราสอนบอกโกรธน้อโกรธน้อเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าความโกรธให้รู้สภาวะของความโกรธ ว, ว่ากําลังเกิดอยู่อย่างนี้ใช้ได้ แต่ถ้าโกรธน้อโกรธน้อเพื่อจะให้หายโกรธอันนี้เป็นสมถนะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ได้แบบสมถนะต้องแยกให้ออกนะว่าตอนไหนจิตทําสมถะตอนไหนทํำวิปัสสนางั้นจะพลาดกลายเป็นทําสมถะหมดเลยเนะงั้นอย่างใจเราหลงไปคิดใจเผลอไปเราก็รู้ว่าออกเผลอไปล้ความจริงแค่ตอนที่เผลอเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าเผลอจิตเป็นกุศลตรงที่คิดว่ามันเผลอไปเนี่ยอกุศลตัวใหม่นะจิตฟุ้งซ่างแล้ว มันละเอียดขนาดนี้ค่อยๆฝึกไปหนีไปคิดแล้วทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้นออเห็นไม้มใจมันออกไปใช้ได้แล้วเห็นแล้วว่าใจออกไปเราฝึกเพื่อจะได้เห็นมันนะเห็นสภาวะจริงๆไม่ใช่เรื่องพูดลอยๆว่าใจส่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันส่งจริงๆมันเคลื่อนจริงๆมันไหลจริงๆเนี่ยไปอีกแล้วรู้ไหม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 ท่านสอนจิตมีราคารู้ว่ามีราคาไม่ได้ห้ามแล้วท่านก็ไม่ได้บอกด้วยนะจิ ต, จตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาพอรู้แล้วให้รีบละเสียนประโยคนี้ก็ไม่มีนะสติปัฏฐานนี่สั้นนิดเดียวเลยจิตมีราคารู้ว่ามีราคารู้ต้องมีราคาถ้ารู้ถูกต้องเนี่ยจะเห็นเลยราคาเป็นนามธรรมมันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเท่านั้นเองนะราคาไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราสันั่นเดียว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 ร, รุ่นรุ่นดึกดำบันแมวรุ่นโยอะไรนี้รุ่นดึกดำบันเรียนนานทําไมพวกนี้เรียนนานพวกนี้คิดเยอะคิดแต่ว่าทํายังไงจะทําได้ถูกต้องนะแมวรู้สึกไหมทํายังไงถึงจะถูกนะทํายังไงถึงจะถูกนะคิดจะทํามันก็ผิดแล้วอะ่ะวม่ไปทำให้ถูกได้ยังไงนะแค่อยากจะทํามันก็ผิดแล้วที่จริงไม่ได้ทําอะไรแต่จิตใจมันทําอะไรรู้ทันมันไปเรื่อยๆพอรู้ทันแล้ง่ายเนาะแมว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 ถ้าเราหลงกับอาการของจิตเนี่ยอาการของจิตมีมากไม่มีประมาณมันโยกเยกเราก็ไปคน้นคว้าเรื่องโยกเยกขอเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวมันโยกข้างหลังข้างหน้าแทนอนะมาค้นคว้าอีกเอามันโยกเอียงอย่างนี้เ อ, เอียงเปลี่ยนมุมอีกแล้วเดี๋ยวมันโยกกลมๆอย่างนี้นะต้องค้นคว้าไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดอย่าไปหลงกลนมันนะกิเลส ท, ทุกตัวเลยจะหลอกให้เราหลงคิดกิเลส ท, ทุกตัวเลยจะหลอกให้เราขาดสติงั้นคอยรู้เรื่อยๆรู้ทันไปเรื่อยๆ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 นี่อยบังคับตัวเองนะหลวงพ่อไล่เข้ามาใกล้ๆแล้วมันเกรงรู้สึกไหมเกรงก็รู้ว่าเกร็งนะรู้ไปส่งกันบ้านหน่อยบุมๆุมเจริญได้ก็เสื่อมได้นะเพราะฉะนั้นเราภาวนาบางช่วงสติปัญญาว่องไวสติเกิดเร็วทียิบขึ้นมาก็ของไม่เที่ยงจิตเจริญได้ก็เสื่อมได้การที่เขาเสื่อม ช่วงนี้เราดีแล้วก็รู้สึกพอใจภาวนาไปเหมือนเดิมนี่แหละมันจะเสื่อมต่อหน้าตตาให้ดูเราก็จะไม่พอใจก็รีบใหญ่รู้สึกว่าเราไม่ดีนะรีบรีบใหญ่เกิดดีขึ้นมาอีกความจริงธรรมชาติของมันเจะเลยแล้วเสื่อมพระธรรมกําลังสอนเราอยู่สม่ําเสมอแต่เราปฏิเสธธรรมะธรรมะก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมันก็ดับเป็นธรรมดา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 เสื่อมะเนี่ย ท, ท, ทั้งๆที่อินพุตคงที่นะงั้นต้องอินพุตคงที่นะเราถึงจะเห็นว่ามีค่าเบี่ยงเบนขึ้นมาความเบีบ่ยงเบนหรือการที่เราคุมมันไม่ได้จริงๆนะะคืออนัตตา น, นั่นึองนี่ไปคิดแล้วทราบไหมวันนี้ยังติดบังคับนะโยมดูไปของคุณก็ยังบังคับอยู่รู้สึกไหมยังไม่เลิกทีเดียวหรอกนะทาอะไรวันนี้ เมื่อกี้นี้ทําอะไรอ๋อตอบถูกนะไม่ต้องบรรยายนะแค่หลงคิดพอละไม่ต้องบอกหลงว่าเราไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้นะไม่ต้องนะเพราะว่าคิดเรื่องอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าหลงไปคิดนะจิตคิดอะไรไม่สําคัญแต่สคัญที่รู้ว่าจิตไปคิด น, นะหรือเรามองเห็นนะมองเห็นอะไรก็ไม่สําคัญแต่สคัญที่รู้ว่าเห็นเนะีไหนมีใครมาจากหากัดใหญ่ อนี่ยิ่งไกลกว่าประจวบอีกนะอะเป็นไงเคยฝึกไหมฝึกมาแบบไหน่นานาไงนะเเรียนมากรไทรอ่ะเออหลวงปู่ชอบปูบาอาจารย์สสยวัดตาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปนะแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้มีสติ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 เนี่ยจิตไหลแว บ, บไปแล้วรู้ไหมให้รู้ทันนะแล้วมันจะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันตื่นขึ้นแว บ, บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยแล้วรู้สึกไปเรื่อยนะมันจะตื่นถีขึ้นขีขึ้นหน่่ยก็รู้จักกันก็คอยแน่แไปเรื่อยๆนะอย่าไปแน่เขาเสียก็แล้วกัน <laughs> นั่นหลงไปแล้วรู้สึกไหมคนหันใหญ่นะ ว่างๆตัวนี้อย่าไปจงใจนะพอเราไปประคองใจให้นิ่งนิดเดียวนจะเห็นทุกอย่างว่างไปหมดเลยนะเราไม่ได้ฝึกเอาอย่างนั้นหรอกนะเอาไม่เป็นไร ร, รู้รู้ไงก็ได้นะก็ดูร่างกายนี้มันเดินไปก็ได้นะเห็นร่างกายมันเดินไปรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าตัวอะไรมันนั่งอยู่ตัวหนึ่งเนี้ย <c oughs> แค่นั้นแหละรู้สึกแค่นี้แหละมันจะไม่ใช่เรานั่งแล้วรู้สึกตัวอะไรตัวหนึ่งมันมานั่งอยู่เนี้ย เมตัวนี้มันกรอกตารู้สึกไหมมันขยับตาขยับนิ้วเดีนะ๋ยรู้สึกแค่ง่ายๆแค่นิ่งนะไม่จ้องแต่นั่งคิดนะนี่ไม่ใช่ตัวเรานั่งนี่รูปมันนั่งนะบางคนเดี๋ยวไปฝึกกันนะนั่นอย่างคิดเอาอย่างนั้นไม่ดีนะอย่างนั้นยังคิดเอาเอาคุณเสื้อสีชมพูตื่นขึ้นมาได้แล้วใจมันถลำไปแล้วเมื่อกี้นี้รู้สึกไหมใจมันซึมซึมก็รู้ว่าซึมนะ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 โอ้ชอบมากหลวงพ่อชอบนะรู้ฝึกกิเลสเยอะคนไหนมาบอกว่าดิฉันปฏิบัติไม่เคยมีกิเลสเลยโอ้ฟังเราทอ้อแท้ใจสอนยากนะมีเหมือนกันนะหลวงพ่อบอกอ้าวรู้สึกตัวไว้บอกดิฉันไม่เคยเหลือเลยโอ้เจอผ้าละหันก็แลวดีแล้วคุณผู้ชายนะดีแล้วอ้าวแล้วคุณผู้หญิงได้ล่ละมาหลายคนแล้วเป็นไงบ้าง เอาอะไรวัดเหลอเอาอะไรวัดหรอว่าจะดีไม่ดีเอาอะไรเป็นเครื่องชี้วัดอ <c oughs> ืเราชี้เกียรไปดีจริงๆไปชี้เกียรเรารู้ว่าชี้เกียรได้ดีนะชี้เกียรเรารู้ว่าชี้เกียรเนี่ยดีจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีหนีไปคิดแล้วทราบไหมความจริงดีขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่ดีหรอกนะสติมันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว ดูออกไหมวันๆหนึนน่งกิเลสเกิดบ่อยๆนั่นแหละอย่างนั้นเรียกว่าภาวนาเอ๋ส่งกันบ้านเอ๋อดีละดูไปเรื่อยๆใช่ใช่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 อันนี้เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอะไรมค่อยๆรู้ไปบางทีก็รู้สึกไหมเหมือนรู้สึกตัวแต่ไม่มีปัญญาบางครั้งรู้สึกตัวประกอบด้วยปัญญาเนี่ยถ้าเรียนอภิธรรมก็กจะรู้จักจิตที่เป็นมหากุศลยานสัมปยุทธยานวิปยุทธอะไรเงี้ยมันเป็นกุศลเหมือนกันแต่ว่ากุศลเฉยๆเนี่ยอีกอันหนึ่งประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจึงสงบเฉยๆ ใช้ได้ละได้ละ ว, ว่าไงคุณน้อยใช่ไหม เ, เออเรียกไม่เคยถูกเลยคนเนี้ยโอ้ถูกต้องแล้วใช่ยุ่ยิบตลอดเออเออ นั่นแหละเห็นมันทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะอันนั่นแหละดีแล้วแต่เดิมมันก็ทำงานอย่างนั้นแต่ไม่เคยเห็นนะแต่เดิมในะกิเลสก็ท่วมท้อนอยู่แล้วแต่ไม่เห็นตาไปนี้เห็นแล้วนะอย่างนี้ถึงจะดีนะดีอา้าวคุณแม่ลูกอ่อนนี้เป็นไงเออดีนะดีพวกเราชอบทำแต่สมถะ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 เด็กเลกๆมันยังดูเป็นเลยนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรไดีแล้วล่ะทำอยู่ดีละหนุ่ยล่ะหนุ่ยส่งกันบ้านไหมก็ออขยันซ้ำหน่อยนะฝีมือเริ่มตกลงแล้วใจเริ่มหนักๆแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มทื่อๆหนักๆอ่ะคุณผู้ชายเนี้ยโอ้ดีถ้าภาวนา เก่งๆน่าจะเผลอวันหนึ่งนับไม่ท่วนเลยเพราะว่านาไม่เก่งก็เผลอน้อยวันหนึ่งเผลอไม่กี่ครั้งแต่ครั้งละยาวๆบูมๆตื่นมานั่งนี่ก็ได้ง่วงอะอือถเวลาที่เรานั่งเฉยๆ่คอยในานๆครึ่งชั่วโมงาคจะอยู่กับอะไรเนี่ยเคื่อเจลิ ก็แล้วแต่เราว่าสมมติจิตมันฟุ้งซ่านมากนะเราก็อยู่กับรูปน้ำเราอิวกับท้องฟังยุบไปก็ได้เคยฝึกอะ่ะนะก็ทําสมาธิไปได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะคือทําสมาธิก็ได้แต่ต้องรู้ว่าทําสมาธิอยูนะ่อย่าไปทําสมาธิเรานึกว่าทำวิปัสสนาอนะหลรมีปัญหาฉะั้นเราคอยควรเสียเวลาใจเราฟุ้งซ่านําคาญต้องการพักผ่อนเราก็รู้ลมหายใจไป เห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูทําได้ไหมแบบนี้เอไม่ใช่ไปจับไว้ที่ลมมันเดียวแล้วก็เคลิมไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไปนอนซะดีกว่า <enabling S 1> นั่งหายใจไปแล้วก็เห็นร่างกายนี้หายใจไปใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาได้ปัญญาไปในตัวเลยถึงวันหนึ่งก็แจมแจ้งการนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันนั่งหายใจเรือเๆอยูอ่นี้ไม่ใช่ตัวเรา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 ก็จะได้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกในปัญญาเกิดแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคริมเคลิมครึ่งหลับครึ่งตื่นไปนะไม่ทำให้เกิดปัญญาแต่ได้พักผ่อนเะฉะนั้นสมาธิจิตจะพลิกแปลงไปยังไงเราก็รู้ทันไปเรื่อยๆจิแรกก็รู้บ้างหลงบ้างไปต่อไปความรู้ความเข้าใจก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจิตไปเป็นสมถะก็รู้จิตไปเดินปัญญาก็รู้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 อย่านึกว่าจิตใจทํางานหนักแล้วไม่ตายนะจิจตใจตายอย่างรวดเร็วเลยตายวับวับวับวับไปตลอดเวลาเห็นไหมมันตายไปหลายดวงแนละ้วดวงนี้เห็น <c> ไ <oughs> มันเปลี่ยนตลอดเลยะดูให้เห็นอย่างนี้นะดูไปอาจารย์เป็นไงบ้างอาจารย์ไม่เจอนาน <c oughs> อ๋องั้นเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะให้เขาเดดก่อน เคล็ดลับนะในการนอนอะเสียนไหมเนี๋ยวเขาเก็บข้าเราเรียนวิชานอนหลับเนี่ย <c oughs> มีเคล็ดลับนะอยากนอนให้หลับเนี่ยอย่าอยากหลับถ้าอยากหลับเนี่ยนัใจจะไม่มีความสงบสุขนใจจะไม่มีความสุขเนี่ยใจจะไม่มีสมาธิเะฉั้นะต้องให้ใจเรามีความสุขก่อนอยากจะนอนหลับนะทําอะไรให้มันสบายใจก่อนนะไปเอ็กซ์ไซส์หรืออะไรสบายใจ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 แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาจะไม่เปลี่ยนนะถ้าประเภทตื่นขึ้นมาก็สโลสเใน้สดงว่ามันไม่ได้นอนจริงๆ แม่ถ้ามันง่วงเพราะร่างกายนะต้องพักผ่อนร่างกายนี้เหมือนเครื่องจักรใช้งานแนละ้วต้องหยุดพักบ้างหยุดซ่อมบ้างออนอนหลับไปให้ร่างกายพักผ่อน่วนจิตใจเนี่ยพักผ่อนด้วยการทำความสงบร่างกายพักผ่อนนะก็ให้ร่างกายมันหยุดนิ่งๆจิตใจให้มันพักผ่อนก็ให้จิตใจมันอยู่นิ่งให้พักผ่อน ให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะเช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องที่พองยุบอะไรเงี้ยเคยฝึกอะไรก็นะั้นแหละใช้ได้เหมือนกันหมดนะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกมากนะถ้าเข้าใจหลักแล้วทําอะไรก็ใช้ได้หมดเลยถ้าทําไม่ถูกหลักนะทําอะไรก็ผิดหมดอ่นะถ้าทําถูกหลักนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ไปนิพพานได้นะ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 ค่อยๆปรับเอาค่อยๆเรียนรู้ไปว่าอ้ออย่างนี้เป็นสมถะอย่างนี้เป็นวิปัสสนาอย่านึกว่าดูท้องพองยุบหรือว่าพุโทโธพุโทโธหรือว่าอะไรจะเป็นได้อย่างเดียวนะมันเป็นได้ทั้งหมดแหละพลิกแปงไปได้สารพัดอย่างพุโทโธพุโทโธเนี่ยสมถะแน่นอนท่องพุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆเราเห็นเลยคำว่าพุโทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยเราเห็นแล้ว เ, เห็นจิตเห็นใจตรวเงขึ้นมานมันก็พอจะเดินวิปัสสนาต่อได้อีก พุดโทไปเรื่อยๆใจหนีวิคิดพุดโธไปแล้วใจสงบเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจอย่างนี้ก็เปินปัญญาต่อไปได้ละ่ะเนี่ยถ้าทําเป็นนะอะไรๆมันก็ไปได้หมดเลยขยับมืออย่างสายลงพ่เทียนก็ไดนะ้เห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปใจมันเป็นคนดูเท่านั้นเองร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกรดิกอยูนะ่รู้ไปเรื่อยก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเหมือนกันนะกรรมฐาน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 ในอาพิธารรมก็สอนวิปัสสนาจริงๆเริ่มที่อุทยพ ย, ายาัญาณอุทยพยัญาณเนี่ยไม่ใช่สมมาสนญาณสมมสนญาณ ย, ยังเจือด้วยความคิดอุทยพยัญาณไม่เจือด้วยความคิดแล้วปริยัตปฏิบัติตรงกันนะอ้าวคุณผู้หญิงนั่นนะ่ะที่ใส่แว่นตาเอาอส่งกันบ้านหน่อยโอ้ขาลงเพราขี้เกียจไม่ดีนะขยันอยู่ยแล้วขาลงอันนี้ดีนะ อย่าขี้เกียจนะช่วยตัวเองเยอะๆกิเลสเกิดบ่อยไหม <c oughs> ดูไปเลขนะยันดูนะขยันเราฝึกแล้วเราค้นทุกข์ขยันไปเอ๊อเป็นไงเ อ, อ, <c oughs> อง๊ก็ยังดีนะดี นัด <Not S 2> นะแต่ตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นนะใจฟุ้งซ่านให้รู้ตรงนี้นะถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วบอกเขารู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอกใจฟุ้งซ่านไปรู้สึกไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นช่วงนี้นะนีเชิญทเตอร์ ไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่การคิดเอาเป็นความรู้ความเข้าใจจิตใจเราสงบตั้งมั่นมาแล้วถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ใช้ได้ไม่ใช่ความคิดเนี่ยใช้ลอจิกใช้เหตุใช้ผลเนาพระพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่อตลักกะอย่างใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลใช้การวิเคราะห์ ใช้การอนุมานใช้ไม่ได้ในความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากสมาธิภาวนาก็ดีนั้นดีแต่รู้ระหว่างไม่เอามาแต่มาเคยพลาดภาวนาใหม่ๆมันสว่างขึ้นอย่างนั้นแหละแล้วออมันรู้นะรู้เยอะเลยพระไตรปิฎกเนี่ยนึกถึงแล้วรู้เลยนะรู้พอรู้ขึ้นมาจำใหญ่เลยรีบจําเสียได้ความรู้ดีจังเลยจำจำสองสามวันเหมือนคนบ้าเลยนะไปไหนก็คล้ายๆเรากลอ ง, ลงแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยเหนื่อยแทบตายเลย แล้ว <laughs> ร, รู้ตัวเลยนี่โย น, นิสมนนานาซิการมาช่วยทำผิดแล้วปฏิบัติผิดแน่นอนทำไมมันหนักอย่างนี้ปฏิบัติแล้วมันต้องปล่อยวางจางคลายไม่ใช่ไปยึดถือเอาความเฉลียวฉลาดความรู้ความเห็นอะไรมามันรู้เพื่อจะวางรู้เพื่อจะวางไปได้ไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาคุณผู้ชายข้างหลังน้นเสื้อเหลืองเป็นไง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 เอาไม่เที่ยงแล้วทำไมเหมือนเหมือนเดิม <c oughs> เอมันเปลี่ยนไปเไ้ด้วย <c oughs> เออนั่นแหละดีละดูอย่างนั้น่ะนะแก้วไอ้แก้วเป็นไง <c oughs> ประคองอยู่ใช้ได้ประคองรู้ว่าประคองใช้ได้ <c oughs> จริงๆเราง่ายนะการปฏิบัติเห็ไหม่หลวงพ่อไม่ตำหนิเลยมีกิเลสค่ะฟุ้งซ่านกับเผลอว่ะไม่เคยว่าเลยนะ